นี่คือรายการเปิดทําที่ถูกปิดป้ากออนไลน์เอนที่97ครับในตอน97นี้เราได้พูดถึงเรื่องของการเข้าใจแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะเราได้ตอบคำถามของท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติมีโพชงเป็นต้นนะครัเจ้าพระพปบูลก็มาพร้อมกับคุณหมอรัพงศ์ครับกลับนอสการครับกับผมนะทัทพง์กนวิรุนครับในตอนที่97นี้เราได้พูดถึงเรื่อง เกี่ยวกับการที่เราแก้ปัญหาที่ถูกจุดซะก่อนครับอ่าก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดปารณัไหสงนิดหนึ่งอ๋อเรื่องอะไรครับอ่คือเรื่องที่ว่าเราจะต้องทําการย้ายเครื่องเสียงมาติดตั้งที่อีกอาคารหนึ่งที่โรงอาหารจากที่ศาลาทีนี้พอตอนนี้เราจะย้ายไปติดตั้งที่ศาลาเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ต้องซื้อเพิ่มบ้างนะช่างเขาก็เลยมาดูช่างเครื่องเสียงเนี่ยนะมาดูที่วัด ช่างเครื่องเสียงเนี่ยมาดูเนี่ยเพราะว่าเป็นโอกาสที่จากกรุงเทพเนี่ยเขาจะไปติดตั้งเครื่องเสียงที่ประเทศลาวนะสป ป, ป, ปลาว<ม>ก็เลยแวะผ่านมาที่วัดป่ารอนไห้โสเป็นทางผ่านใช่ทีนี้พอเขาเป็นทางผ่านมาเขาก็เลยแวะมาดูใช้ใช <ๆ S 2> เวลาอยู่ที่ประมาณสัก 2- อสาชั่วโมงมนะมาดูถึงเนี่ยช่างที่เขามาติดตั้งเนี่ยนรมอพงศ์ครับเป็นช่างที่ไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาขายของเรานคือหมายนว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ย คุณจะซื้อเครื่องเสียงใช่ไหมเขาจะขายว่าโมเดลนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ดีอย่างงั้นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างงั้นอย่างนี้นี่คือเขาจะขายของแต่พวกนี้เขาไม่ได้มาตั้งใจจะขายของแต่เขามาเพื่อชี้หาเอาก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไระเขาก็มาถึงนในทางเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็จะมีเรียกว่าฟรีควินซี่เรสปอ s e คือความตี่ตอบสนองนคือห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีความตี่ตอบสนองนมีการาตอบสนองแต่คลื่นความตี่ที่ไม่เท่ากัน ค, คือหูของคนเนี่ยมันได้ยินตั้งแต่ยี่สิบเฮิร์จนถึงส <20 Hz S 2> องหมืเฮิร์สใช่อหมก็คือถ้าจะพูดภาษาที่ชาวบ้านจะเข้าใจก็คือตั้งแต่เสียงต่ําถึงเสียงแหลมอะ่นะะเสียงต่าเนี่ยจะเป็นเสียงที่ความถี่ต่ําำเสียงแหลมคือเสียงที่ความถี่สูงถ้าได้ยินเสียงต่ำๆคือเสียงมันความถี่ต่ําๆถ้าได้ยินเสียงซอนถี่สูงคือความถี่มันสูงเสียงสูงเนี่ยนะอืก็จะเปรียบเทียบอย่างนี้ทีนี้แต่ละห้องเนี่ยมีความถี่ที่ไม่เท่ากันคนช่างคนนี้นะเข้ามาถึงปุ๊บ เขาวัดก่อนเลยว่าห้องเนี่ยมีความถี่ตอบสนองเป็นเท่าไหร่โดยการเอาไมโครโฟนเนี่ยไปจี้ตามจุดต่างๆของห้องอตำแหน่งนี้ั้งหน้าด้านหลังตรงกลางแบ่งห้องเป็นโซนๆแล้วก็วัดความถี่ตอบสนองออกมามเพื่อที่จะหาค่าความถี่ตอบสนองต่อของห้องนั้ น, นลำโพงที่เรามาใช้เนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงความถี่จุดนั้นและไปเพิ่มความถี่ที่มันอ่อน นะเพื่อที่จะให้ความถี่ตอบสนองของมัเนี่ยออกมาเป็นศูนย์ให้ได้ในห้องนั้นนะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะแทนที่เราจะไปตามว่า เ, าเครื่องเสียงต้องรุ่นใหม่ตลอดบริษัทนี้หรืออะไรต่างมันมันแก้ปัญหาไม่ถูกจุดไงอมอระพงเข้าใจครับแล้วเราเราสามารถแก้ปัญหาได้เลยว่าเสียงคุณก้องเสียงกุญ h อนหรือเสียงคุณอะไรแต่เราต้องรู้ว่าความถี่ค่าไหนข้าไห น, ไหน<ด>เครื่องมือเขานี่ดีมากนะหมระพงเขาเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์นะ แล้วก็เอาไมโครโฟนเนี่ยต่อเข้าไปสามสี่อินพุตเนี่ยนะแล้ววัดออกมาซ้ายขวาเนี่ยแล้วแบ่งย่านความถี่อยู่มาเป็น24ย่านดูว่า<ฮ>ไหนมากอันไหนน้อยแล้วถึงค่อยไปปรับอินพุตนของเสียงที่จะออกมาเนี่ยผ่านโปรเซสเซอร์อะไรโอ้โหเป็นอุปกรณ์รต่างๆที่เป็นซับซ้อนอเป็นความซับซ้อนของคนที่เขาจะต้องดีไซน์นะแต่ระบบที่ดีไซน์ออ ก, ออกแบบมาแล้วเนี่ยไม่ซับซ้อนครับเข้าใจหมอันนี้ธรนะรนะามามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะ เพราะว่าเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะ ค, คือจะมามาพูดเหมือนกับท่านผู้ฟังในธรรมะของพระราชาอะนะว่าไอ้เรามาเข้าพยายามเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะเนี่ยถามว่าสมมุติคุณต้องการรวยใช่ไหมคุณก็ไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราไปทําไม่ถูกระบบในเช่นว่าคุณไปโกงนะคุณไปพยายามที่จะข้ามขั้นในเพื่อนร่วมงานด่าเขาว่าเขาบ้างนะหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด นะผู้เช่าเคยพูดถึงธรรมะสอย่างนะที่ใครๆก็ตามที่ต้องการนะมีอะไรบ้างมาระบมีเงินครับถ้าถ้าเรายังเป็นคารวาสอยู่นะใครไม่ต้องการเงินบ้างเอ้าพูดติมันไม่มีมีแต่ต้องการมากหรือต้องการน้อยแต่ละหนเองแต่ไมนต้องการหมดใช่ไหมสอชื่อเสียงกิติยศนะถ้าเรายังเป็นคารวาสอยู่นะใครๆก็ต้องการชื่อเสียงกิติยศนะชื่อเสียงกิติยศนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นนายพลอธิบดีประหลัดอะไรพวกนี้นะไม่ใช่นะ แพ ร, พระเจ้าพูดถึงยศเนี่ยหมายถึงมิตรด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อ น, นสหายด้วยมีญาติมีมิตรพวกนี้นนคือเรารไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกต่อให้คุณไม่ได้มีเป็นตำแหน่งข้าราชการอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเรามีามีเพื่อนมีมิตรพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราเราจะต้องทําใช่ครับนะทําทําแล้วมันจะคือเราอยากได้อะนะข้อที่3าพระเา พ, พูดถึงความมีอายุยืนนะมีอายุยืนนานมีสุขภาพดี และข้อที่4ก็บอกว่าถ้าบอว่าหมดอายุขายแล้วก็ไปสวรรค์เหมือนไปถูกเก็บตัวไว้อยู่ในสวรรค์อ4อย่างนี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนารักใคร่พอใจอเพราะนั้นในทางที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองยศญาติมิสหาย3คืออายุยืนนาน4คือสวรรค์เนี่ยแต่ว่ามันได้มาหลายทางนะหมอระวง อืมีวิธีการเข้าได้หลายทางใช่ถ้าเราแก้ปัญหาไม่ถูกเราตามกันไม่จบนะบางคนบอกว่าคุณต้องมีเงินนะคุณถึงจะได้ยศนะคุณทําทุกวิธีทางคุณต้องเงินมาซื้ออนะซื้อยศตําแหน่งเนี้ยสมัยนี้นะอ่าใช่แล้วว่าเงินคุณจะได้มาไงอ่ะมีช่องทางไหนเอาหมดนะเพราะมันต้องการขึ้นนี่ใช่ไหมใช่ครับถ้าเราทําอย่างนี้เนะคุณคุณตามไม่จบไง รถแก่อย่างนี้ไปเกิดปัญหาอย่างอื่นอ่าใช่นอกจากเงินคุณบอกว่าต้องมีรถดีๆขับมีเครื่องแบบดีๆใส่นีมีบ้านดีๆอยู่เขาจะได้เห็นว่าเราเป็นคนแบบรู้ h ไฮคลาสพวกนี้ในมีรถมีชื่อเสียงอ่าอันนี้คุณแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะที่แก้ปัญหาถูกจุดคืออะไรพุทเจ้าพูดถึงธรรมะสี่อย่างนะที่จะทําให้ได้ธรรมะสี่อย่างนั้นขออีกทีนะครับธรรมะสี่อย่างนั้นมีธรรมะสอย่างนั้นคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมหนึ่ง นั่คือโภคทรัพย์ลาบสการะพวกนี้สองคือยศยศนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าตําแหน่งอย่างเดียวนะแต่ยังรวมถึงความมีมิตรมีญาติมีสหายพวกนี้ด้วยข้อที่สามพระเจ้าพูดถึงความมีอายุยืนนานข้อที่สี่พระเจ้าพูดถึงการไปอยู่สวรรค์เมื่อหมดอายุขแล้วการไปสวรรค์นะสอย่างนั้นนี่คือ4อย่างนั้นแล้วนะทำสีอย่างเนี่ย จะทําให้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการใช่หมถามว่าคุณมนุษย์ปุถุชนใช่ครับใช่ใครคุณจะต้องการ4อย่างเนี้มันได้หลายวิธีวิธีที่ถูกคืออะไรนักผู้ชาพูดถึงอีกสอย่างหนึ่งนะอีกสอย่างหนึ่งคืออะไรคือการถึงพร้อมด้วยศรัทธาการถึงพร้อมด้วยศีลการถึงพร้อมด้วยจารกะและการถึงพร้อมด้วยปัญญาอ๋อนะถามว่าศีลจารกะปัญญาใช่สอย่างนี้เราเอาอย่างแรกก่อนที่เราจะต้องทําความเข้าใจคือเรื่องของปัญญาก่อนเอปัญญามาพูดก่อน นะคือผู้เชีบอกว่าถ้าเผื่อว่าเมื่อไรเนี่ยเราไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรมันควรทำอะไรไม่ควรทำนะรู้ว่าจะต้องละสิ่งที่ควละนะทาสิ่งที่ควรทำนะถ้าเราไม่ละสิ่งที่ควละไม่ทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยเราจะไม่มีทางได้เลยให้สีอย่างนั้นตรงนี้คือความถูกระบบนะคือถ้าเราไม่เข้าใจว่าไอ้นี่คือควรละอันี้คือควรทำอะไรที่ควรละอย่างเช่นว่าปิดศีล ผู้เช่าพูดถึงการปิดศีลเป็นสิ่งที่ควรละรต้องเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนตรงนี้นิดหนึ่งที่อาิ m a r กตัวอย่างเปรียบเทียบกับเรื่องของเครื่องเสียงเนี่ยนะผู<น>ะ้เช่ายกตัวอย่างของนิวนันห้านิวอัวนห้าเนี่ยมันจะมาปิดกั้นไม่ให้จิตของเราเนี่ยมีความสว่างเป็นเครื่องเศร้าหมองใจพอใจเศร้าหมองแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าอะไรควรละอะไรควรทํำพอเราไม่เห็นว่าอะไรควรละ แล้วอะไรควรทําแล้วเราก็จะไม่ได้ทำสี่อย่างนี้นี่คือสตาซีนจาระปัญญานะเราไม่ได้ทำสี่อย่างนี้คุณจะไปหวังว่าเออายุยืนมีชื่อเสียงมียศมีญาติมีเพื่อนแล้วก็ไปสู่สวรรค์จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เลยอืมอืมครับนะตรงนี้คือปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาดูเรื่องจิตของเราเนี่ยนะต้องอย่าให้มีนิวรณ์อ่าคือถ้ามีนิวรณ์แล้วเนี่ยปัญญาไม่เกิดเนะี่ยปัญญาไม่เกิด เราก็ไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละเราก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการฟังอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราละนิวอณนได้เช่นความเพ่งเลงความโลภอย่างแรงกล้าความคิดไม่ดีเนี่ยนะหรือความพยาบาทความงงเอาเอานอนขี้เกียจขี้ค้านเบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านทำการใจความกังวลเคลือบแคลงระแวงสงสัยไปหมดเนี่ยละพวกนี้ได้เราจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทา รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของสิ่งที่เราต้องการครับนะเราก็จะไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะคือละสิ่งที่ควรละอะไรที่ควรละล่ะนะก็มีมิจฉาทิฏฐินะความประพฤติชั่วทางกายวาจาใจพวกนี้ละให้หมดครับนะอกุศลอักกุศลกรรมบุทั้ง10อย่างละและ้วไปทําอะไรครันะทำสิ่งที่ควรทาไงอะไรคือสิ่งที่ควรทำนะเช่นกุศลกรรมบุทั้ง10อย่างนะปฏิบัติตามศีลนะรักษาทิฏฐิทั้ง6นะเราทําแค่เนี้ยนะรักษาทิฏฐิหใช่ไหม ปิบัติตามกุศลกรรมบดไอ้พวกสี่อย่างที่เราต้องการนั้นเนี่ยมันจะมาโดยอัตโนมัติ hmm. นะคือเราไม่ต้องไปต้องไปตามว่าสมัยนี้เขาใช้โทรศัพท์อะไรใช้เครื่องใช้รถยนต์อะไรใช้บ้านแบบไหนนิยมอยู่กันทรงอะไรต้องไปตามตามหมดเนี่ยมันไม่จบเงนมารพงศ์ครับมันไม่จบ hmm. เราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการครับ ใช่ใช่การตามนี้มันเหมือนก็เหมือนโอ้มันไม่จบเป็นกิเลสนะครับต้องตามทีนี้เราถ้าเราเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้องเราแก้ปัญหาอย่างถูกต้องคือเป็นเข้าใจระบบธรรมนี้นั่นเองก็คืออะไรรักษาศีลใช่ไหมมีศรัทธามีการให้การบริจาคด้วยแล้วก็มีปัญญาในการที่จะต้องเอานิวรณ์ออกเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรที่ควรละอะไรควรทาอันนี้สําคัญมากเลยนะเพรางั้นเราจะไปตามแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ใช่ครับยิ่งยิ่งแก้ปัญหาอันนึงก็ไปเกิดปัญหาใช่แล้วก็ไปตามมาตามแก้ต่อไปไปตามแก้ต่อไปเอ้ทำไมเป็นอย่างนี้จะถูกของหรือเปล่าไปหาหมอดูไปทำสิ่งที่เป็นวัตโกตูอารามงคลล่ะครับนั่นก็ไปกันนอกแนวละ่นะนแต่ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจปัญหาก่อนนะละนิวร์ตั้งหน้าก่อนนะคือบางทีปัญหามันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันทำให้เรากังวลใจมีความร้อนใจนะมีความร้อนใจมีความกังวลใจเครียด แล้วก็สงสัยไปหมดอันนี้ฉันจะสอบได้ไหมฉันจะทําได้ไหมอันนี้ต้องเป็นยังไงโลกมันเป็นไปอย่างนี้แล้วมีความกังวลสมัยนี้มันไม่ใช่อย่างก่อนแล้วนะมันกังวลใจไปหมดนะหมอแล้วพงใช่ครับอันนี้คือความทั้งทั้งความระแบงสงสัยใช่ไหมวิจิกิจมาเกิดขึ้นและนะแล้วก็มีความเพ่งเลง็งนะอันแรกเกิดพิชาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บมันมีความเครียดนะใช่ครับเครียดแล้วก็รกระเทือนไปทุกคนในบ้านนะลูกก็โดนด้วยสามีก็โดนด้วย ถ้าภรรยาโดนถ้าสามีเป็นภรรยาก็โดนด้วยนะ mm hmm. ปู่ย่าตายายทุกคนโดนความเครียดนี้ไปหมดเราก็พยายามจะไปแก้ปัญหาแต่ไม่ถูกจุดสตีครับนะเนื่องจาะความเครีย hmm. ดความเป็นนิวร์นียมันกลุ่มรุมจิตหลัก mm hmm. อย่างนี้นะครับจริงครับอเพราะเราต้องคลายความเครียดตรงนี้ก่อนนะละความเครียดละความกังวลละความระแวงละความเพ่งเลงตรงนี้ซะก่อนนะละแล้วเราทำยังไงแก้ปัญหาให้ถูกจุด ในอย่งกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนที่เรียนหนังสืออย่างเงี้ยนี่คือระบบของหลายระบบของยศเหมือนกันนะระบบอของการได้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําปัญหาแก้ปัญหาถูกจุดนะคื อ, อะละนิวรสก่อนนะแล้วก็ปฏิบัติตามศีลไหมเราทําอยูอ่เรามีศรัทธาไหมเรามีอยู่เรามีใจฆ่ามไหมเราก็ทำด้วยเรามีปัญญาไมอันนี้ยืงย่งขาดเราก็ทําเพิ่มเติม หนะังสือทําหน้าที่ที่ควรทำํำนะในทิศทั้งหกนะมารดาก็รักษาบุตรนะบุตรธิดาบุตร ท, ดทิดาก็รักษาปฏิบัติตามกฎอย่างเงี้ยนะซึ่งต่างๆมันจะเทิร์นเอาโอเคมันจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางดีได้อเป็นเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเลยใช่ใช่แล้วถ้าอะไรที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะเหมาะกับเราในจุดๆนั้นนะนะอย่างอย่างกรณีของควรจะไปเรียนโรงเรียนใหม่อย่างเงี้ย่คัแนะถ้าลูกกาลังจะเข้าโรงเรียนใหม่เงี้ย พ่อแม่บางคนบอกว่าต้องโรงเรียนนี้เท่านั้นโรงเรียนอื่นไม่ได้นะถ้าเราไปคิดอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีความเพ่งเลงแ่ะใช่ครับถ้าเรามีความเพ่งเลงเนี่ยเราจะมีนิวรล่ะอพิจาคือความเพ่งเลงนะเพราะมีนิวรแล้วเราก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ยมันจะได้มหมเนาะมันจะมันจะมันจะไปได้ไหมเนาะอย่างเงี้ยนะนี่คือความวิจิกาล่ะแล้วมันจะเกิดความเครียดแล้วเพราะความเครียดแล้วเราจะไม่เห็นว่าอะไรที่ควรละอะไรที่ควรทาครับนะอย่างกรณีของเครื่งเสียงอย่างเงี้ย เดถ้าเรามีความเพ่งเลงว่าต้องยี่ห้อ น, นี้ต้องแบบนี้เดี๋ยต้องโมเดลนี้ต้องแบบนี้สวยแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีเราก็จะมีความสงสัยไปในเรื่องอื่นหมดเลยเราก็จะมีความเครียดแล้วทําไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอืมปรี๋ยวเที่ยงกลับมาเราจะต้องทําไงละ่ะเราต้องละนิวรพวกนี้ก่อนเดีอย่าให้มีความเพ่งเลงอย่าให้มีความระแวงสงสยัยอย่าให้มีความขี้เกียจขี้คร้านอย่าให้มีความฟุ้งซ่านของการใจความคิดนึกปยาบาทอะไรไม่ให้มีเพราะละแล้วเนี่ยจิตใจเราเปิดละแล้วจิตใจเราสว่างละ จใจเราไม่มีเครื่องกางกันเครื่องสมองละเราจะรู้ว่าอะไรที่ควรละอะไรที่ควรทํำอะไรที่ควรละล่ะความขี้เกียจความผิดศีลความไม่ดีความแสวงหาอย่างไม่ถูกต้องพวกนี้ควละใช่ไหมอะไรที่ควรทํำคือการปฏิบัติตามหน้าที่ทั้งหกทิศ6กใช่ไหมทิศหใช่ครับความขยันเราควรทํำกุศลกรรมบุทั้ง10อย่างเราควรทํำถ้าทําเลยแล้วเนี่ยมันจะออกมาสบายเอง นะครับอ่าถ้าพูดถึงการเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยมรบกงแหมเดี๋ยวนี้มันแข่งขันกันมากเนาะคือบา ง, งคนคอ่าบางคนจบโรงเรียนดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีหมดนะจริงครับอ่าบางคนจบโรงเรียนดีเลยแต่เป็นขโมยนะชีวิตออกมากลายเป็นอีกแบบหนึ่งไปเนี่ยพอไปคบเพื่อนชั่วหลังจากออกมาแล้วหรือว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีเองมันก็ก็มีเราก็เห็นเกันอยู่ใช่ครับคนคที่ก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ไม่แน่ร้อรเซ็นต คนที่เรียนโรงเรียนธรมธรมดาๆหรือโรงเรียนวัดเ <What? S 1> ออกับองว่าเป็นคนดีก็มีครนะเป็นคนที่สําคัญของสังคมก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ไงนะจึงสอดคล้องกับเรื่องที่เราพูดในวันนั้นนะะว่าพอถึงแล้วจุดนั้นแล้วมันเหมือนพยับแดดที่เราพอพิจารจุดนั้นแล้วมันไม่มีอะไ ร, รอ่ามัน ม, มีอะไรถ้าเรามาดูพิจารณาดีๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้แล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะ ถ้ามันไม่มีเราจะทำอะไรดีไหมก็ถ้าเราไปคิดว่าเอ้ยเงินไม่ทำอะไรหรอกว่อยู่เฉยมันก็เป็นความคิดที่ผิดละเป็นมิจฉาทิฏฐิละเราก็ต้องทำสิ่งที่ควรทำงดเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นทำสิ่งที่ควรทำในที่นี้ก็คือทำอะไรอ่ะขยันใช่ไหมถ้าเป็นปฏิบัติตามที่ต้งหกมารดาบิดาก็มีหน้าที่ลูกเต้าก็มีหน้าที่ถ้าเป็น เรื่องของกุศลกรรมบท10ิบอย่างนะก็ทําด้วย แ, แค่เงี้ย เ, เราเราสร้างเห็นที่ถูกต้ตงองละทีนี้พอเราทําไปทําไปเดี๋ยวมีเสียงมาแล้วบอกว่าโฮ้ยมันจะได้เหรอไม่ถูกมั่งเขาทํากันอย่างนี้กันนะกูไปทํำอะไรอันนี้มันจะทําให้เรามีความเครือบแคลงระบายสงสยัยละเราก็ต้องคอยละอยู่เรื่อยอ่างนี้ะซ า, าไม่ไมมันมีมาตลอดมาแล้วปงรตรงนี้จึงต้องมีศรัทธานําด้วยศรนะัทธานในที่นี้คือความเชื่อมั่นในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระเจ้า ศ<น>รัทธ<ถ>าคือความาเชื่อมั่นในปัญญาเครื่องตรัสรูของพระเจ้าถ้าพระุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ธรรมะแบบนี้เป็นธรรมที่สามารถทําอันตรายต่อบคุคคลที่ปฏิบัติได้เฮ้ยเราอย่าทําเลยนะจช่นความกังวลความระแวงความเพ่งเล็งถ้าพระุทธเจ้าบอกเป็นอันตรายนะเรารีบห่างๆเลยถ้าเรายังเกี่ยงไม่ในจิตนะมันต้องทําอันตรายกับคุณแน่นอนธรรมะอันนี้เป็นธรรมะที่ทําให้เราดีเช่นศรัทธาเป็นต้นเนี่ยเราศรัทธาไม่ได้ศรัทธาในตัวบคุคคลนะมารพงษ์ แต่เราสรัทธาในปัญญาเครเื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ า, าบทพิัญชนะตรงนี้บอกว่ามีความศรัทธาคือความมั่นใจนั่นแหละนั้นในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ า, าคือไม่ได้ศรัทธาในตัวแขนขาตัวของสมณโคดมนะครับแต่ศรัทธาในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธานในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ า, าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้โหคือพระเจ้าสร้างเหตุมาหลายอย่างนะใช่ครับคือไม่ใช่ว่า ตัวตนของพระองค์ที่เป็นพระรูชาแล้วอย่างเงี้นะมีสีทองสีเหลืองหลามอลไรก็มีลักษณะมหาบรษาิษสา32ประการนั้นยกไปก่อนเลยนะแต่เรามาศรัทธาในปัญญาเครื่อนตรัสรู้ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะจึงมาเป็นพระรูชาได้อตัวการสร้างเหตุใช่เพราะนั้นเหตุอย่างนี้อย่าง น, าง น, างนี้ทำให้มีปัญญาเครื่อนตรัสรู้โอ้โหไม่ธรรมดาเราต้องมีความเชื่อมันตรงนี้นต่นว่าถ้ามันทําให้เกิดประโยชน์ถ้านบูชาบอกอันนี้จะเป็ น, ปนโทษเราเลีกเลี่ยงอันนี้จะเป็นประโยชน์ เราเรีบทำนะไม่ว่าคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรถามว่าคนอื่นที่เขาพูดอะ่ะเขามีอย่างนี้อย่างนี้ไหมอย่างนี้อย่างนี้หมายถึงปัญญาขึ้นตรัสรู้เขาทำมาไหมเอ อ, อเราก็มาเปรียบเทียบกันตรงนี้สิถ้าคุณจะเชื่อเขาอะ่ะครับอืคือพิสูจน์ให้เห็นจริงหรือเปล่านี่ไหมครับใช่แล้วก็าทามาขนาดไหนตัวเองมีการพิสูจน์การตรวจสอบขนาดไหนคนที่พูดนะครับออ ใช่ัอย่างพวกนักปรัชญาชาวตะวันตกเนี่ยบางทีเขาทฤษฎีเขาอย่างหนึ่งแต่ตัวตนเขาก็อีกแบบนึงเพราะว่าเขาก็เออเหมือนว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ทําไมตัวเขาเองก็ยังทําไม่ได้อีกอย่างหนึ่งรหรือว่าศาสตรามมหาวิทยาลัยบางอย่างคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าคคการการตลาดหรือว่าการทําธุรกิจอย่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่ได้มีการทําธุรกิจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่าทฤษฎีที่คิดเนี่ยมันทําเงินได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ย ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราต้องใส่ question mark เอาไว้อืเพรา ะ, ะนั้นเราจึงต้องมีศรัทธาตรงนี้เพราะเรามีศรัทธาแล้วเราปฏิบัติได้ะเรามีศรัทธาเรามีปัญญามันต้องคู่กันไปอืใช่ครับเก่งคู่กันพอเรามีศรัทธาในการที่จะก้าวเดินมีความมั่นใจคนอื่นเขาพูดมาให้เราเป๋นะเรามีศรัทธาตั้งมั่นในขณะเดียวกันเรามีปัญญาในการที่จะคลายนิวรนะให้เห็นว่าอะไรควรทําเห็นว่าอะไรไม่ควรทํานำะเราก็ทําไปได้ ทำสิ่งที่ ค, <ม>ครวรทำละเป็นสิ่งที่ควรละเว้นครับเพราะฉะนั้นจึงต้อง<ม>เน้นย้ําเรื่องที่หกนะต้องเน้เนย้ําเรื่องของศรัทธาศีลจาครปัญญานะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นคราวาสต้อ ง, ต, องต้องทําอยู่ตลอดนะสร้างเหตุถูกต้องมันก<ม>็จะไปได้นะหมอพรงครับอืมอืมอันนี้สําคัญครับสำคัญสำคั ญ, คญน้อมน้อมรับไป<ม>ปฏิบัติครับเราก็จะได้ไม่ต้องตามคนอื่นเสมอ แล้วพูดที่ว่าโอ้ยสมัยนี้มันแข่งขันกันขนาดไหนแล้วสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่า ง, งานี้โอ้ยมันก็ทําไปไม่มีวันจบชบมันไม่มีวันจบเลยนะเรต้องเข้าหาเหตุที่ถูกต้องนะนี้ประรบเหตุจากการที่มาวัดเรื่องระบบ f r e q u e n c y response ที่วัป่าและไนโศนี่ท่านเอง้วจึงให้คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ครับเรื่องเรื่องเครื่องเสียงนี้อ่านื่อเนื่องจากเหตุอันนี้เองก็ อย่างผู้ปฏิบัติก็จะสังเกตว่าระบบเสียงที่วัดป่าต อ, อนไหนโสงเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็ฟังดูแบบนุ่มหู <c oughs> ไม่มีเสียงหอนเนี่ยเพราะว่าโอ้ด้วยเหตุอันนี้นี่เองด้วยเหตุอันถูกต้องใช่ไหมครับ <c oughs> พวกเราจึงได้ฟังธรรมะที่สบายแล้วก็มีคุณค่านะครับอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะหมอผมอันเก่าๆนี่คือแบบว่าทดลองมัว่ว อ, อันเก่าๆนี่คือทดลองมัว่วยังไม่ได้ ปรับใช้จริงๆริงจางๆตัวนี้เมื่อเมื่อวิศวกรหรือว่าผู้ที่ปรึกษาเนี่ยคอนเซิลเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็สามารถปรับให้มันให้มันดีขึ้นได้นะก็เป็นตามระบบที่ถูกต้องเรา แ, แก้ปัญหาถูกเท่าัเองครับทีนี้เรื่องต่อไปที่เราจะพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติครับนั้นประลบมีมีคำถามจากคุณปณิธิพิบนะครับคำถามจากคุณปณิธิแฟนพันแท้ของเราเกี่ยวกับเรื่องของโพชงเจ็ด นะครับที่สัมพันธ์กับการาดูลมหายใจนะครับคือท่านท่านเรียนถามว่าการที่โพชฌงเจตเนี่ยเป็นเอ่อเป็นทั้งเขาเรียกการรู้ลมหายใจทำให้โพชฌงเจดเจริญได้พร้อมๆกันเนี่ยคือท่านสงสัยว่าอ้าวแล้วในส่วนของการาธรรมวิจยะสัมโพชฌงซึ่งต้องพิจใกล้ครวนพิจารณาเนี่ยมันจะทำได้ยังไงนะครับ ดูลมเฉยๆและพิจารณาอย่างเงี้ยอ๋อมันมีคําถามแรกตรงนี้ครับเอางี้เอางี้ก่อนก่อนที่เราจะไปถึงว่าไอ้เจ้าสติอ่าไม่ถึงลงหมหายใจอน า, าปาณสติเนี่ยจะไหลไปโภชงเอาทฤษฎีก่อนนะทฤษฎีคือผู้เช่ยบอกว่าพอมีลหมหายใจใช่ไหมลหมหายใจเนี่ยถ้าเรามีสติในลหมหายใจนะสติลหมหายใจนี่จะทําให้เกิดสติปฐาน4ี่ใช่ไหมครับสติปฐาน4ี่ตัวสติเองเนี่ยคืออ่าสติสัมโพชฌงค์ นะพอมีสติแล้วก็จะทําการไข้ค ร, รวนซึ่งทํานั้นอยู่ด้วยปัญญานี่ก็จะเป็นธรรมวิจยาสัมโพชงมันจะค่อยหลายหลายหลายไปเป็นโพชงทั้งเจนะ็ดแล้วก็เป็นวิชาวิมุตต์ต่อไปได้อทีนี้ปัญญานคําถามก็คือว่าแล้วลมหายใจมันไปเกี่ยวข้องกับธรรมวิจยาสัมโพชงอย่างไรใช่ครับแล้วก็เกี่ยวกัามลิงนี้นทีนี้คําถามของคุณปฏิทีศก็คือว่าเแล้วแล้วมันไปพร้อมๆกันได้หรอมันดูเหมือนกับจะทําไม่ได้นะครับงี้ต้องถามท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะอย่างนี้ว่า เวลาที่เราเรามีลมหายใจอยู่เนี่ยนะพุทธเจ้บอกคุณสามารถมีสติได้ใช่ไหมทีนี้ถามว่าคุณจะสามารถมีสติอยู่ได้โดยไม่มีลมหายใจได้ไหมได้ไม่มีลมหายใจคือมีแต่ไม่ไม่รู้ลมหายใจสมืติลมหายใจเราหายไปแล้วเราไม่ได้มาสนใจลมหายใจแล้วแล้วเราจะมีสติอยู่ได้ไหมได้ได้สิได้สิพุทธเจ้ายังพูดถึงกายคตาสติเช่นมีสติในการเดินยืนนั่งนอนนะมีสติอยู่ในการกินดื่มพูดคิดมีสติอยู่ในการ ย่างเก้าคมจีวรหรือมีสติอยู่ในมรณสติเป็นต้นมีสติอยู่ในพุทธานุสติเป็นต้นมีสติอยู่ในสังขารนุสติเทวตานุสติจาคานุสติสีลักุสติมีทั้หมดเลยเอ้ยไม่ได้พูดถึงลมหายใจเลยหมาล่วงเข้าใจไหมใจ่ครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราไม่รู้ลมหายใจแล้วเรามีสติได้ไหมคุณลองกลั้นลมหายใจดูนะสักหนึ่งนาทีถ้าจิตเรายังรู้อยู่อย่างเดิมไม่ไหลไปตามไม่วิ่งหนี นะไม่วิ่งเข้าหานะมีสติอยู่อันนั้นคือจิตของเรามีสติอยู่นะครับไม่ได้ไหลไปทางอกุศลนะไม่ได้กำหนัดเพลิดเพลินยินดีในความสุขที่เกิดขึ้นไม่ได้ขยะดขยงเกลียดชังในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมีลมหายใจไม่มีลมหายใจได้ทั้งนั้นอเอาแค่นี้ก่อนเราทําได้เนาะได้ครับนะรบหรือบางทีเราเรามีสติอยู่ในลมหายใจเสร็จปุ๊บลมหายใจมันหายไปลมหายใจไม่มีละเอ๊ะลมหายใจไม่มีเหรอเอ๊ะเราจะที่อยู่นี่นมันคืออะไร มันก็อยู่จิตเฉยๆก็เป็นจิตตานุปัสนาสติปัตตานเป็นต้นนะครับอ่าทีนี้ถมาวมว่าเราไม่พุทธชาพูดถึงเรื่องลมหายใจละ่ะเราก็ใช้ลมหายใจเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งในที่ตั้งที่ทําให้เรามีสติแต่บางคนไม่นึกถึงลมหายใจไม่ได้เลยเหมอทนบอกนึกแล้วมันจิตฟุ้งซ่านไปตามลมไม่ได้เลยมันจิตมันไม่รวมเอาคุณนึกถึงพุทธชาได้ไหมนึกถึงความดีงามนึกถึงเหตุที่พุทธชาสร้างมาโอ้จิตมันนิ่ ม, น, มนวลอ่อนลงไปอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือพุท ธ, ธานุสติละครับอ่าบางคนนึกถึงศีลความดีของตัวเองนะว่าตัวฉันเองก็มีศีลอันนี้ก็เป็นศีลานุสติละโอ้ศีลานุสติครับใช่เพราะงั้นถ้าถ้าเราบอกเราทําอนาปนานสติแล้วให้เห็นธรรมะวิเชยสัมโปชงไม่ไดคุณไปทําอย่างอื่นก็แล้วกันกมีหลายวิธีอ่ามีหลายวิธีครับอ่นานิพพานเนี่ยนะพระเจ้าบอกว่าอ่าเป็นเป็นที่ที่ไม่ได้ว่าก้าวไปเดินไปถึงได้แต่ว่ามีทางปฏิบัติเข้าไปได้โดยรอบ ถ้าคุณไม่เข้าทางลมหายใจคุณเข้าทางศีลได้ไหมคุณไม่เข้าทางศีลคุณเข้าทางจารคัดได้ไหมคุณไม่เข้าทางจาคัคุณเข้าทางพุทธะได้ไหมธรรมะสังฆะมรณะได้หมดเลยอื ม, อมนะขอให้มีสติครับสตินี่ไม่ได้ว่าจําเป็นต้องเกิดกลมหายใจด้วยอันนี้ประเด็นที่หน่งนะครับประเด็นที่สองคือเรื่องทําการพิจารณาไครครวนธรรมนั้นอยู่ด้วยปัญญานะถ้าเพราะว่ า, าทําการพิจารณาไครครวนธรรมนั้นอยู่ด้วยปัญญา ทรรนั้นเนี่ยคือมันทําไหนตังธรรมมังเนี่ยตังธรรมังคือทํานั้นเนี่ยออืภาษาบาลีคือตังนะแตัวนั้นธรรมังคือซึ่งธรรมนั้นเนี่ยนะครับแล้วมันธรรมะคืออันไหนในที่นี้ถ้าเราจะตีความว่าเฉพาะลมหายใจนะก็ได้ถ้าคุณจะคือสมมติว่าในกรณีคุณเห็นลมหายใจแล้วคุณคล้ายคลวนซึ่งลมหายใจอยู่ด้วยปัญญาเช่นคุณเข้าใจว่าอะไรลมหายใจไม่เที่ยงนะมันเข้าอย่างเดียวไม่มีแลมันต้องมีออกด้วย ระหว่างออกมันยังหยุดนิดหนึ่งด้วยมันก็ไม่เที่ยงด้วยตอนออกนะออกอย่างเดียวไม่มีเข้าก็ไม่มีมันต้องมีมันต้องมีเข้าออกไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยหมายถึงว่าสลับกันไปอนะออันนี้เราก็คือเห็นซึ่งทํานั้นทํานั้นในที่นี้คือลมหายใจละหรือทํานั้นอาจจะเป็นสติก็ได้ทํานั้นอาจจะเป็นความเพียงก็ได้ทํานั้นอาจจะเป็นความตายก็ได้ทํานั้นอาจจะเป็นการเดินก็ได้ทํานั้นอาจจะเป็นใบไม้ร่วงก็ได้ทํานั้นอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ทํานั้นอาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้ นะแยกแยะออกมาอย่างเงี้ยเราใคร์ครุ่นพิจารณาเห็นธรรมนั้นอยู่ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้คืออะไรปัญญาในที่นี้ก็คือกันดับอวาใช่เห็นความไม่เที่ยงของมันนั่นเองครับถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นลมหายใจไม่ว่าจะเป็นความนิ่งนิ่งนิ่งๆิ่งก็ไม่เที่ยงนะไม่ว่าจะเป็นพุทธะพุตานวุสติไม่ว่าจะเป็นศีลจาระอะไรต่างๆทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ชื่อว่า เห็นละเหนความไม่เที่ยงของมันล่ะครับนะคุณจะมีลมายใจไม่มีลมใจไม่เห็นเป็นไรแต่คุณมีสติแน่นอนถ้าคุณพิจารณาอยู่งี้นะเราจะเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องมีลมหายใจเท่านั้นคุณยังจะมีสติได้ออืืมถูกไหมหมอละพงอ์ถูกครับอันนี้หมอละพงศเข้าใจนะเป็นวิธีพิจารณาได้ใช่ครับนะอันนี้คือประเด็นที่สองครับอ่าต่อไปประเด็นที่สามคือว่า เราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ว่าการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่ได้แยกกันกับชีวิตประจําวันนะนะคือเรามันต้องไปคู่กันเหมือนละพงต้องเป็นลักษณะของมรคสมังคีคือให้มร์เนี่ยมันสมานสมัคคีเป็นอันเดียวกันไปอเราเนเดียวกัอหมือนกับขนมเขาปนกันอย่างดีแล้วเข้าผัดเราไม่ได้ กินข้าวคำหนึ่งกินสีอิ่วคำหนึ่งกินไม่ได้แยกทันแล้วก็ไปเขย่าเขย่าในท้องไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องปนกันไปหมอเขาเข้าใจนะสมมติเรากินขนมเค้กอย่างเงี้ยคุณไม่ได้เอาเค้กกล้วยหอมอย่างงี้นะกินกล้วยหอม้าไปก่อนกินแป้งเข้าไป3ามช้อนกินน้ําตาลน้ํามันแล้วก็ไปเขย่าในท้องแล้วใช้ความร้อน37องศาในตัวเราอบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือเหมือนกับเพชรอย่างเงี้ยเขาเจรนเพชรเนี่ยหมอระบงเขาต้องเจรนทุกด่าน ให้มันคมให้มันเนียนให้มันเรียบเสมอกันจึงจะเป็นเพชรที่สว่างสวยนะคือถ้าจะเราเจรนายด้านเดียวเนี่ยด้านอื่นมันขุ่นอยู่มันจะไม่ได้อืมเช่นเดียวกันการอ่าการปฏิปัตธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณมาวัดเท่านั้นหรือเฉพาะเวลาที่ฟังธรรมะเท่านั้นหรือว่าอันนี้ต้องแยกกันนี้โดยเด็ดขาดไม่ใช่นะมันต้องมันต้องรวมกันไม่ได้ต้องเป็นเข้ากับเป็นเนื้อเดียวกันเฮ้ถามว่ามันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ไงอธรรมะเนี่ยได้ไงครับมันต้องทําให้ชํานาญ หมอรับงดูเวลาเขากวนแป้งหรือ <Okay. S 1> เวลาทำํำทำขนมเนี่ยมันต้องกวนกวนกวนจนมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน mm hmm. นะหรือเวลาเขาเจียรนายเพชรเนี่ยมันต้องจี้จี้จ้ จ, จีจ้เดียวทีเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับเด็กดูแล้วดูอีกใช่เด็กฝึกขับจักรยานก็ตามมันต้องปันป่นล้มปั่นล้มลุกขึ้นล้มลุกขึ้นอยู่นั่นแหละนะมันต้องทําจนชำนาญทําบ่อยๆนั่นเองว่างั้นเถอะ อืคนขับรถอ่ะถูกครับโอ้โหจะใส่เกียร์เหยียบคลัชเหยียบคันเร่งมือจับพวงมาลัยสมองคิดเส้นทางหูฟังคนข้างๆตาดูกระจกสามสีบาทมันไม่ได้หรอกครับแรกๆมันไม่ได้หรอกจริงครับการขับรถนี่โอ้โหประสาทนี้จนกระทั่งจนกระทั่งคุณขับเดียวก่อนใช่ไหมไม่ต้องมีคนนั่งไปด้วยคุณจอดขึ้นสะพานได้คุณออกถนนใหญ่ได้ขับทางไกลได้เริ่มมีความมั่นใจละ เริ่มขับเร็วขึ้นเริ่มขับมีลวดลายลีลานตะแคงข้างเดียวตะแคงสองขาขับรถไต่ทั้งอะไรได้หมดเลยนะเพราะความชํานาญที่เราทําเกิดขึ้นไงประเภทขับไปคุยโทรศัพท์ไปเอาไหลหนีบโทรศัพท์มือจับพวงมาลัยตาดูเส้นทางคอยดูตํารวจด้วยหูฟังโทรศัพท์มือก็ปรับวิทยุขาเหยียบคราชเหยียบเขาเร่งไว้พร้อมๆกันโอ้โหมันทําได้หลายอย่างอ่นะก็เพราะว่าการที่เราทําแล้วชํานาญ พระธรรมาจึงต้องย้ำว่าประการที่3ประเด็นที่3นี้ว่าต้องทําให้ชำนาญ น, นะ <Okay. S 1> มาคัตสมังคีคือทําบ่อยๆทําจนมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจะไปแยกกันทําว่าตรงนี้อย่างหนึ่งตรงนี้อย่างหนึ่งมันจะมันจะทำให้เราการสการบปรียบของเราเนี่ยมันมันสับสนอืมเพรา ะ, ะนั้นเราต้องมารวมกันเนะีตอนแรกมันไม่รวมกันหรอกมันต้องแยกแยกกันอยู่นะคือที่พระเจ้าแยกแยะออกมาเนี่ยเพราะว่าด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธะนะมรรพงศ์นะ <Okay. S 1> นะจะต้องแบ่งประเด็นแยกแยะออกมาโดยรายละเอียดทั้งหมดเลย พอแยกแย่แบ <isa> ่งประเด็นแยกมาโดยรายละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันองค์ประกอบด้วยนี้เราก็อันนี้ผสมกันนี้ด้วยอัตราส่วนเท่านี้เวลาทําขนมนะนะควรจะให้เข้าอบด้วยความร้อนออกมาอร่อยละนะเช่นเดียวกันพอมันมีองค์ประกอบต่างๆเราทราบเราก็ค่อยๆทำค่อยๆใส่ค่อยๆเพิ่มค่อยๆปรุงนะมันก็จะค่อยๆออกมาได้เงี้ยการแยกนี่เพื่อเพื่อประโยชน์ในการบอกสอนถ่ายทอดนะครับใช่คือแยกแยะโดยละเอียดนะก็เรียกว่าแสดงตามโดยพิสดาร นะพิสดารแล้วเนี่ยแหมมันคือด้วยความเป็นสามาสุทธะนะหลังพอแยกแยะด้วยความพิสดารแล้วเนี่ยคือแสดงธรรมนี้ต้องต้องเด็ดขาดนะคือเหมือนอย่างราชสีเนี่ยห <coll> รือว่าสีห์เนี่ยนะตะคุบเหยื่อครั้งเดียวต้องตาย<ก>นะตะคุบเหยื่อครั้เดียวตายตาย้องมาซ้ำสองครั้งนี้แหม่เสียเหลี่ยมราชสีคร<ก>ับอกัดครั้งเดียวต้องขอขาดตายแต่เราะนั้นแสดงธรรมครั้งเดียวต้องชั่วแล้วก็ครบทุนกระบนวนการใช้งาน<ก>ได้ทันดี เขาเรียกมีคำพูดว่าบัลลอสีฮานาใช่ไหมครัทูก็ทูผิดก็ผิดอย่างเงี้ยนะไม่มีใครคัดง้างได้น ะ, ะเพราะนั้นพอผู้ชอบประกาศทำออกมาแยกแยงนี้แล้วมันเลยอาจจะดูยากไปสักนิดหนึ่งแต่ไม่ยากหรอกนะเราเราทำไปจริงๆมันก็จะได้ผลตามนั้นนั่นเองครับพิสูจน์ได้ด้วยตนเองใช่ประเด็นที่สี่ตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราทาไปทาไปเนี่ย เราเราสังเกตเดี๋ยวนี้เลยก็ได้สมมุติเรายังไม่ได้ทําให้ชํานาญนะเราสังเกตรประเด็นที่4ตรงนี้เลยก็ได้ว่ายัางเวลาเราเรากโกรธอย่างเงี้ยหรือเวลาเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ว่าจิตไปคือจิตเราไม่ได้เป็นศูนย์เป็น1อ่งนะอ่าอย่างสมมุติศูนย์ก็คือไม่โกรธนะสบายใจหนึ่งก็คือโกรธอย่างเป็นต้นอย่างเงี้ย น, นะคือมันโกรธขึ้นมามันก็ได้ปรี๊ดขึ้นไปเลยมันบางครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น้วโกรธแบบเพิ่มๆก็มีโกรธแบบ กดแบบก็แบบวขัดเครืองใจอ่ากดแบบจื้อก็มีนะกดแบบจี๊ดก็มีกดแบบตู้ออกมาเลยก็มีครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายระดับอ่ะครับเอ๊ะทำไมจิตมันเป็นอย่างนั้นก็จิตมันเป็นอย่างนั้นอ่ะจิตมันไม่ใช่ลักษณะว่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอย่างนั้นแต่มันมีความจางคลายมีความเปลี่ยนแปลงมีความเป็นอ่าก็เรียกเป็นอะนาล็อกนะไม่ใช่เป็นดิจิตอลดิจิหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเป็นอนาล็อกอีนี้มันมีโ ค, ค้งขึ้นไปมี การมากบ้างน้อยบ้างเปลี่ยนแปลงไปนะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเวลาเรารู้ลมหายใจอย่างเงี้ยเวลาที่จิตเราจะหลุดออกจากลมหายใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันหลุดเพาะไปเลยจังหวะที่มันเพาะหลุดไปเลยก็มีถ้ามีภัสสะแรงๆอะไรมากระทบแล้วอย่างสมมุติแต่ว่าถ้าในขณะที่เรามารู้ลมหายใจอยู่แล้วเรามีความคิดโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยไอความคิดที่โผล่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ลมหายใจของเราหายไปเพาะเลยนะมันจะค่อยๆลมหายใจค่อยๆจางกลายไป นะอันนี้แล้วก็ความคิดต่างๆก็จะค่อยๆมีมากขึ้นปรุงแต่งใบปรุงแต่ใงตใปนะครับถ้าเผื่อว่ามันมันดึงเราไปได้หมดนะเป็นความคิดที่เป็นอกุศลอย่างไงเป็นต้นนะเป็นมิจฉาสังกปะเนี่ยก็จิตคุณเราเลุดออกจากสติละนะออกจากสติละสติไม่มีละแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นความคิดในทางที่พิจารณาเช่นพิจารณาธาตุขันพิจารณาเห็นความตายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอย่างเงี้ยอันนั้นคือจิตเราไปมีสติอยู่ในที่ตรงนั้น ก็จะ บ, บ, บางทีลมมันหายไปหรือลมค่อยๆจางกลายไปมีสติอยู่ในขณะที่พิจารณาเห็นความตายไปด้วยนั่นก็คือชื่อว่ามีสติอยู่แะต่อให้ลมหายใจหายไปในพิจารณาเห็ความตายอยู่พิจารณาเห็ความไม่เที่ยงของกายเราอยู่ผมคนเล็บฟันหนังอยู่อย่างเงี้ยนั่นก็ชื่อว่ามีสติอยู่เหมือนกันก็จะเนาะ อ, ะอะเพราะฉะนั้นบางทีมันมันค่อยๆจางกลายไปประเด็นที่สี่ตรงนี้คือว่าไม่ใช่แบบว่าศูนย์หศหนึ่งนะ เป็นลักษณะของอนาล็อกเป็นลักษณะที่มีความจางคลายมีความเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับเป็นไหลทะเลอย่างนเหมือนท่านท่านพูดไหลทะเลค่อยๆลาดลงลาดลงเล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นที่คุณปฏิทิศบอกว่าพอบางจังหวะเราก็รู้มหายใจไปด้วยลงจังหวะลงหายใจหไปแล้วเราก็ไปพิจารณาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนคือไม่ใช่เฉพาะว่ามันต้องคู่กันไปคู่กันไปก็ได้ถ้าคุณทำจานานอย่างบางคนรู้ลมหายใจในขณะขับรถอย่างนี้ ถ้าคุณไม่ชำนาญนี่หลายๆคนขับเลยบ้านนะรู้นหน่วยใจไปขับเลยบ้านละอฉันต้องเรียวตรงนี้มันมันเลยเวลาเลยสติหลุดใช่แต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีสตินะหมอและพงศ์สติเนี่ยมีอยู่ในลมหายใจแต่ ม, มันเป็นอิริยาบถเล็กอิริยาบถเล็กในในภายในของระดูเราที่ทําให้เราไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นภายนอกการที่เราไม่ได้สนใจเรื่องอื่นภายนอกไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มีสติอยู่ในภายในมาฟังฟังอีกครั้งหนึ่งนะ คือการที่เราไม่ได้สนใจเรื่องราวในภายนอกเ <sk r ug blossom> ช่นการขับรถเป็นต้นอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มีสติอยู่ใน ภ, ยในภายในอย่างครูบาอาจารย์บางท่านอย่างเงี้ย <lectric> มีสติอยู่ในลมหายใจตลอดเดินไปเดินไปก็สะดุดหินล้มก็มีนะ อ, อไม่ใช่ว่าท่านไม่มีสตินะแต่ท่านมีสติอยู่ในลมหายใจแไม่ได้มีสติอยู่ในการเดินเพราะนั <Rum> ้นจึงไม่ได้สังเกต ว, ว่าอะไรมาขวางอยู่อะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะแต่มีสติอยู่ในลใหหมหายใจเข้าใจเนาะ ค, คือเพราะฉะนั้นเราจะมาสังเกตเพียงสักว่าอาการที่เกิดขึ้นเราจะบอกว่าคนนี้มีสติไม่มีสติมันไม่ได้มันต้องดูที่จิตอย่างเดียวอืมครับเพราะฉะนั้นที่คุณปณิธิถามว่าถ้างั้นการพิจารณาจังหวะหนึ่งลงมหายใจจังหวะหนึ่งอันนั้นก็ได้เหมือนกันรนะหรือว่าจะไปพร้อมๆกันถ้าคุณทําชํานาญแล้วก็ได้เหมือนกันโอ้ครับสติเนี่ยที่เป็นละเอียดก็มีหยาบก็มีใช่ไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึง พูดถึงอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือว่าให้มีส ต, อ ine, ติอธิษฐานการงานมีจิตอธิษฐานการงานมีสติอยู่ในงานที่ทําอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นสติอย่างหนึ่งสมมติเรามีสติอยู่ในการขับรถอย่างเงี้ America, ยมไม่ได้มีสติรวมใจเราก็จะไม่ขับเลยจะไม่ขับผิดกฎจราจรจะดูไฟดูอะไรต่างๆอย่างนี้ได้ครับหรือว่าถ้าเรามีสติในการเดินเราก็จะไม่เดินผิดทางไม่เดินสะดุดหกล้มอย่างเงี้ยครับคือเราก็เลือกใช้สติในความหยาบความละเอียด ในลักษณะนี้ได้นะครับแล้วตอนท้ายของคําถามนี้ถามว่าการรู้ลมเป็นสมถกรรมฐานการพิจารณาใ ค, คล้ครวนเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือเปล่าครับอาจะได้ถูกต้องครับนะคือการรู้ลมหายใจเนี่ยเราเอาสมถาก่อนคืออะไรก่อนครนะสมถาเนี่ยกนะ็คือการทําจิตให้นิ่งเท่านั้นเองกนะารวิปัสสนาคือการเห็นตามที่มันเห็นตามที่เป็นจริง เห็นไปตามที่มันเป็นลักษณะของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพราะนั้นการที่เรามาให้จิตนิ่งอยู่หน้าที่เดียว่าจะรู้ลมหายใจก็ได้หรือว่าจะมามีสติอยู่ในกายก็ได้ให้จิตมันนิ่งอยู่อันนี้คือถือว่าเป็นสมถะในจุประสงค์ที่มีสมถะเนี่ยสมถะเนี่ยผู้ชอบบอกว่าถ้าเจริญแล้วเนี่จิตเจริญจิตจะเจริญหมายความว่าจิตมีกําลังนพะพอจิตมีกําลังเนี่ยมันจะละราคะได้ ณละราคะนี่คือการที่เราจะเข้าไปกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ไหลไปตามอย่างกรณีที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยมีความคิดนึกนั่นนี่เรื่องคนน่้คนนั้นคนนี้เดียนะก้อนมันมาดึงเราละแต่ถ้าจิตเรามีกำลังจิตจะเจริญใช่ไหมจิตมีกําลังก็จะละราคาราคะความกำหนัดยินดีในความคิดต่างๆเหล่านั้นนนั้ก็จะค่อยวางไปวางไปมันก็จะมันดึงเราน้อยลงจิตเราก็จะตั้งมันได้มากขึ้นก็จะมีสมถะมากขึ้นครับอันนี้คือสมถะข้อที่1ใช่มค่ะส่วนวิปัสสนา นะคือการที่เห็นตามที่เป็นจริงเช่นพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นแง่มุมต่างๆเจ็ดแง่มุมตามที่เราเคยพูดมาอย่างเงี้ยเห็นประโยชน์เห็นโทษเห็นเหตุเกิดเห็นความแบบเห็นวิธีการดับของมันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอืมเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะปัญญาจะเจริญอืนะปัญญาตรงได้อ่าปัญญาตรงเนี้ยเมื่อเกิดแล้วก็จะละวิชชาได้จะวางความไม่รู้นี้ได้ครับก็จะมีความรู้เกิดขึ้นแต่ เพราะนั้นตรงนี้พอเราทำสมถ ะ, ะด้วยนะวิปัสนาด้วยควบควบ ค, คู่กันไปเคี่ยงคู่กันไปเนี่ยจะเป็นการแทงตลอดเพื่อธาตุเป็นเอเนกะธาตุเป็นเอเนกนะคืออย่างเช่นว่าอาจจะมีความรู้ความต่างๆอะไรเกิดขึ้นมานะเราจะรู้กิจที่ควรทำนะละกิจที่ไม่ควรทำได้นะเช่นบางบางคนที่ไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะเดินไปทางไหนมีมิดไลฟ์คร i ซิส หรือว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงต่อไปจะทําสิ่งนี้ดีไหมบ้านที่จะปลูกไปได้ไหมจะเรียนโรงเรียนนี้จะเรียนโรงเรียนไหนหรือจะไปที่ไหนดีอาย้ายงานดีไหมโอ้ยคาถามพวกนี้หมดตอบได้หมดเลยด้วยการมีใครค่ครวนพิจารณานี่มีอ่ามีสมถะและวิปัสสนาที่เกียงคู่กันไปเราจะมีความจิตที่ไม่มีความเศร้าหมองอมจิตที่ไม่มีเครื่องหม่นหมองพอจิตไม่มีความเศร้าหมองไม่มีเครื่องหม่นหมองแล้วก็สว่างใช่ไหมก็เห็นทางข้างหน้าชัดเจน ไม่ต้องให้ใครมาพยากร์ไม่ต้องพึ่งหมอดูไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้นะเราก็พึ่งตัวพึ่งทำในพึ่งพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองมีมีมีพระสูตรนะครับว่าให้พึ่งตนพึ่งทำตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อาศัยที่เราทําบ่อยๆนะเพราะนนั้ในกรณีนี้เนี่ยผู้ฟังถ้าเราทาบ่อยๆนะเราพมคลายความสงสัยว่าเอ๊ะมันจะทําได้หรอก็ให้มีความศรัทธาในพระเจ้านะว่ามันทําได้นะครูบาอาจารย์หรือว่า พระเจ้าประสงค์พระอรัลาสาวกในสมัยก่อนึสมัยปัจจุบันก็สามารถทําได้ตัวเราเองเราก็ทําด้วยเราก็จะได้ผลอย่างเดียวกันออืมเพราะะนั้นในในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะมงครับดงไม่ได้เป็นเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาเรื่องเครื่องเสียงในวัดป่าดอนไฮโซว่าตัวนี้เป็นแง่มุมธรรมะที่เราเห็นได้ว่าเออย่างนี้เรามาถูกทางแล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจ สิ่งอื่นๆที่คนอื่นที่ใคร<า>บอกภายนอกใช่ไหมเราก็มาสนใจที่ว่าสิ่งที่พุทเจ้าสอนเป็นยังไงนะเราปฏิบัติตามนั้นนย่อมได้ผลตามนั้นนั่นเองครับเราแก้ปัญหาให้ถูกจุดเนาะส่วนข้อที่2เราก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัตินะว่าเราจะทําไงให้เกิดความสม่ำเสในในวิธีทางปฏิบัติของเรานะมีทั้งหมด4แงม่มุมมี4ประเด็นที่ได้พูดถึงไปรนะประเด็นแรกก็คือ เรื่องของความที่มักจะต้องสมัคีกันมัคส ม, มังคีมัคคสมังคีครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องความที่จะต้องเข้าใจว่าสติโดยที่ไม่มีลมหายใจก็มีได้สติแบบอื่นๆก็มีได้เรื่องที่สามก็คือว่ามันจะมีสติทั้งที่ในขณะที่มีลมก็ได้ไม่มีลมก็ได้แยกกันหรือว่าจะรวมกันก็ได้ในเรื่องของสมถาวิปัสสนาลักษณะนี้อืม วพาในวันนี้เอพิโซดที่97้าบเจนะก็มีเท่านี้แล้วก็เราก็จะมาพบกกันในเอพิโซดต่อไปก็กลับก็ใกล้ร้อยเข้าไปทุกทีครับครับวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างแต่นั้นถ้ามีฟังก็ติดตามฟังในรายการเปิดทรมที่ถูกปิดภ้าออนไลน์นี้ต่อไปได้ครับต้องขอกลับน้ำมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไผบูรณ์อภิพุโนแห่งวัดป่าดอนไหศกจังหวัดอุดรธานีครับ รกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ